เด็กใหม่โรงเรียนหลอน ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์หลอนของนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเดล่าว่าเมื่อครั้งที่ผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมตน้น จากโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงหลังจากจบชั้นมัธยมตน้นผมก็พยายามที่จะสอบเข้าโรงเรียนที่อยู่ห่างไปจากที่นี่ไม่ไกลมากนักเพราะที่นี่ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากอยู่เหมือนกันหากเข้าที่นี่ได้ก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปต่อในมหาวิทยาลัยดังๆได้ไม่ยากแล้วเรื่องสยองมันก็เริ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ผมเข้ามอบตัวกับโรงเรียนใหม่แห่งนี้หลังจากตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนฟังพอออกกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในโรงเรียนและจ่ายเงินบำรุงการศึกษาเรียบร้อยแล้วผมกับพ่อก็ลงจากหอประชุมแล้วไปหาอะไรกินที่โรงอาหารแต่ตอนนั้นผมปวดท้องก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนที่นี่ มีห้องน้ำชายอยู่บริเวณใต้าอาคารหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับโรงอาหารขณะที่ผมเดินไปยังอาคารหลังนั้นก็เห็นว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าผมซึ่งห่างไปไม่ไกลนักลักษณะของเด็กคนนั้นน่าจะเป็นรุ่นน้องมัธยมตน้นตัวของเขาเตีย้ยรูปร่างเล็กแต่แต่งตัวเรียบร้อยตัดผมทรงนักเรียน มื่ผมเห็นก็แปลกใจว่าทำไมถึงมีเด็กใส่ชุดนักเรียนมาเดินอยู่ทถวนี้ทั้งทังที่ตอนนี้ทางโรงเรียนก็ยังไม่ได้เปิดภาคเรียนเลยจึงคิดไปเองว่าเด็กคนนี้คงจะมากับพี่ของเขาผมเลยไม่สนใจก้มหน้ากดมือถือแล้วเดินต่อไปจนถึงทางเข้าห้องน้ำเมื่อไปถึงก็เห็นว่า ตัวห้องน้ํานั้นยกพื้นสูงขึ้นกว่าทางเดินจะต้องเลี้ยวและก้าวขึ้นบันไดไปอีกสามสี่คันจึงจะไปถึงทางเข้าห้องน้ําได้เมื่อผมลาสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์และชำเลืองมองเด็กคนนั้นอีกครั้งก็เห็นเขาเดินเลี้ยวก้าวขึ้นบันไดไปแล้วผมมองเห็นหน้าของเขาได้ไม่ชัดเจนนักเมื่อเด็กคนนั้นก้าวพ้นสายตาผมขึ้นบันไดไป และผมใกล้ที่จะไปถึงยังจุดนั้นจึงเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงเอาไว้ไม่กี่วินาทีต่อมาผมก็เดินมาถึงตีนบันไดผมก้มหน้ามองและก้าวขาเดินขึ้นบันไดไปเพียงไม่กี่ก้าวเมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะผมเห็นประตูห้องน้ำถูกล็อกด้วยแม่กุญแจยางแน่นหนา ที่ตรงนั้นไม่มีทางไปต่อและไม่มีใครอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนั่นเลยแล้วเด็กคนเมื่อกี้หายไปไหนผมพยายามมองพื้นที่คแคบๆโดยรอบเพื่อหาเด็กคนนั้นว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็หาไม่เจอตอนนั้นผมแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองจึงเอามือไปจับที่แม่กุญแจก็ปรากฏว่ามันล็อกอยู่จริงๆ มคมขนลุกไปทั้งตัวรีบออกมาจากตรงนั้นโดยทันทีแล้วเดินไปยังห้องน้ำอีกจุดหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลกันมากนักเมื่อไปถึงก็เห็นว่ามันเปิดอยู่ทุกห้องว่างเปล่าไม่มีคนอยู่ในนั้นเลยและดูจากสภาพห้องน้ำแล้วก็รู้ได้ทันทีเลยว่าทั้งวันยังไม่มีใครเข้ามาใช้เลย ด้วยความปวดหนักผมจึงกลั้นใจเลือกเข้าห้องน้ำห้องหนึ่งแล้วรีบทาธุระให้เสร็จจะได้ออกไปจากที่ตรงนี้เสียทีระหว่างที่กำลังทาธุระอยู่สมองผมก็แวบขึ้นมาว่าเมื่อกี้ผมคงโดนรับน้องแล้วแ น, แน่เมื่อคิดไปก็ขนลุกไปทั้งตัววาดระแวงสิ่งรอบข้างไปหมดแต่โชคดีที่เด็กคนนั้น ไม่ตามมาหลอกผมที่ห้องน้ำอีกเหตุการณ์นั้นผ่านไปจนเปิดเรียนผมแทบจะลืมมันไปแล้วจนมีอยู่เย็นของวันหนึ่งผมกับเพื่อนๆ เ, เราทั้งหมดสี่คนอยู่สอบเก็บคะแนนกับครูประจำชั้นเป็นกลุ่มสุดท้ายของห้องตอนนั้นก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วท้องฟ้ายามเย็นสีส้มแดงเพราะแสงอาทิตย์ กำลังเริ่มรับจากขอบฟ้าเมื่อคนสุดท้ายสอบเสร็จครูก็สั่งให้พวกผมปิดไฟและพัดลมพวกเราก็ทําตามที่ครูสั่งแล้วก็เดินออกไปจากห้องตอนนั้นทางเดินลงจากตึกซึ่งเป็นทางที่ใกล้ที่สุดมันปิดหมดแล้วทางลงทางเดียวที่ยังคงเปิดอยู่คือบันไดบริเวณหน้าห้องพ อ, อ ซึ่งต้องเดินข้ามทางเชื่อมไปอีกตึกหนึ่งตอนนั้นเหมือนครูจะนึกอะไรขึ้นได้ก็ถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเมื่อผมตอบไปครูก็มีสีหน้าที่ไม่สบายใจเป็นอย่างมากและผมก็เห็นความกังวลบนใบหน้าของเพื่อนๆนทุกคนเช่นกันแต่ผมไม่รู้หรอกว่าทำไมเพราะผมเป็นเพียงคนเดียว ที่พึ่งสอบย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ทุกคนก้าวฝีเท้าเดินด้วยความเร็วมากจนผมแทบจะตามไม่ทันระหว่างที่เดินนั้นครูไม่พูดอะไรเลยตลอดทางพอเดินมาถึงทางเชื่อมที่เป็นทางเดินข้ามไปยังอีกตึกหนึ่งฝั่งด้านซ้ายมือของทางเชื่อมจะมีห้องเรียนอยู่ด้วยกันหลายห้องส่วนฝั่งขวาจะไม่มี เมื่อกึ่งเดินกึ่งวิ่งกันมาจนถึงตรงนี้ครูที่เดินนําหน้าอยู่ก็หยุดแล้วหันมาถามพวกเราว่าเชื่อเรื่องผีกันหรือเปล่าจากนั้นครูก็หันหน้ากลับไปแล้ววิ่งอย่างไม่คิดชีวิตพวกเราทุกคนไม่เห็นครูวิง่งก็วิ่งตามครูทันทีพอลงมาถึงข้างล่างครูก็แกล้งหัวเราะ บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่แย่เล่นแต่สีหน้ากลับบ่งบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นสีหน้าของครูดูตื่นกลัวมากเลยทีเดียวเมื่อผมย้อนกลับมาคิดถึงคำพูดครูที่พูดก่อนจะวิ่งก็ที่จะํำไม่ได้เพราะครูของผมคนนี้เป็นครูที่สอนวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ด้วย หลังจากวันนั้นผมก็พยายามสอบถามประวัติตรงจุดนั้นจากเพื่อนรุ่นพี่และครูคนที่ผมสนิทแต่ทุกคนกลับตอบเหมือนกันหมดว่าไม่ควรพูดถึงเรื่องนี้ผมก็พยายามสืบไปเรื่อยๆเพราะอยากรู้เรื่องราวของทางเชื่อมนั้นจนในที่สุดก็ได้รู้ว่าห้องนี้เคยเป็นห้องประจำของนักเรียนชั้นม .6 อยู่รุ่นหนึ่ง ในปีนั้นมีนักเรียนคนหนึ่งในห้องประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางมาโรงเรียนไม่กี่วันหลังจากนั้นก็มีครูคนหนึ่งได้เข้ามาสอนในห้องแล้วทักว่าเอา้าวันนี้มาเรียนด้วยเหรออาทย์ที่แล้วไปไหนมาถึงไม่ได้มาเรียนคาบครูเพราะถึงตอนเช็คชื่อครูก็ยังขานชื่อของเด็กคนนั้นอีก ทำให้ทุกๆคนในห้องถึงกับหลอนไปตามๆกันแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดอะไรหลังจกเรียนจบคาบนั้นก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งเดินตามไปถามครูว่าครูพูดกับใครในห้องครูจึงตอบว่าก็พูดกับนายเอกไ ง, งแต่วันนี้เขาดูแปลกๆไม่เคยพูดเลยเด็กนักเรียนคนหนึ่งจึงบอกไปว่าครูครับ เอกมันโดนรถชนตายไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะครับครูตกใจมากจนเผลอร้องอุทานออกมาเสียงดังจนทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นแตกตื่นกันหมดเด็กนักเรียนมองหน้ากันด้วยความรู้สึกสยดสยองเป็นอย่างมากเวลาผ่านไปจนห้องนั้นก็กลายเป็นห้องประจำของนักเรียนชั้นอื่นแต่ก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นอีก เวลาแบ่งกลุ่มก็นับคนเกินบ้างหรือไม่ครูก็เห็นใครไม่รู้มานั่งเรียนด้วยแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปบางครั้งคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบนทางเชื่อมนี้ก็มักจะเจอคนยืนนิ่งอยู่ห้ามกลางความมืดที่กลางห้องทั้งทั้งที่ตอนนั้นนักเรียนเลิกเรียนกลับบ้านกันหมดแล้ว ห้องนี้ถูกกล่าวขานกันเป็นอย่างมากกลายเป็นที่โด่งดังกันในโรงเรียนจนต้องมีการทำบุญนำพระมาสวดถึงแม้ว่าจะทำบุญแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยห้องนี้จึงถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องเก็บของหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเวลาผ่านไปนานพอสมควรมีอยู่ปีหนึ่งที่ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ ที่จะรองรับเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนใหม่ห้องนั้นจึงถูกนำมาใช้เป็นห้องเรียนอีกครั้งแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกจนถึงวันที่ผมโดนดีเข้ากับตัวเองขณะที่ผมกำลังจะกลับบ้านรุนพี่คนที่สนิทก็บอกว่าเขาลืมกระเป๋าเงินไว้ที่ใต้โต๊ะเรียนของเขาวานขอให้ผมขึ้นไปหยิบให้หน่อย เมื่อผมเดินไปที่ห้องนั้นก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วกลับบ้านกันหมดจึงเดินไปดูที่โต๊ะก้มลงไปดูที่ช่องวางของแล้วก็ก้มลงไปดูที่พื้นบริเวณใกล้ๆโต๊ะก็ไม่มีผมหาดูที่ช่องวางของโต๊ะข้างๆด้วยแต่ก็ไม่เจอผมจึงเดินออกมาอย่างเสียอารมณ์เสียเวลาคิดว่าเขาคงงำผมเล่น แต่ตอนที่ผมกำลังจะก้าวขาลงบันไดเพื่อลงไปข้างล่างจูๆ่ๆรุ่นพี่คนนี้ก็เดินขึ้นมาผมจึงบอกเขาว่าหาทั่วแล้วแต่ก็หาไม่เจอแต่รุ่นพี่ยังยืนยันว่าเขาลืมไว้ที่ห้องอย่างแน่นอนบอกกับผมว่าจะกลับไปดูอีกครั้งเราสองคนก็เลยไปเดินดูด้วยกัน เมื่อเราเดินไปถึงที่ประตูห้องก็เห็นว่ากระเป๋าเงินของรุ่นพี่นั้นวางอยู่บนโต๊ะของเขาเหมือนกับว่ามันวางอยู่อย่างนั้นมาโดยตลอดทั้งทั้งที่ผมพยายามหาแล้วทั้งขยับโต๊ะเก้าอีแต่ก็หาไม่เจอตอนนี้มันกลับวางอยู่บนโต๊ะแถมห้องนั้นก็ยังเป็นห้องที่ไม่มีใครอยู่เลย เราทั้งสองมองตาเหมือนรู้กันรุนพีรีบเดินเข้าไปหยิบกระเป๋าโดยไม่พูดอะไรแล้วเราทั้งครูก็รีบเห็นกันออกมาและแยกย้ายกันกลับบ้านวันหนึ่งผมได้เรียนวิชาภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นห้องที่อยู่ชั้นล่างตรงกับห้องนั้นพอดีอยู่ๆครูที่สอนก็พูดถึงเรื่องห้องนั้นขึ้นมาแล้วเล่าให้ฟังว่า ตอนที่ห้องนั้นยังคงเป็นห้องเก็บของอยู่ครูทำงานที่ห้องเรียนนี้บางวันครูจะต้องอยู่ทำงานจนดึกก็มักจะได้ยินเสียงโตเก้าอี้ขยับบางเสียงเปิดปิดหน้าต่างบางหรือเสียงคนเดินบางบางครั้งก็มีเสียงกระโดดด้วยครูจึงขึ้นไปดูว่าใครมาส่งเสียงดังรบกวนในเวลาแบบนี้ เมื่อเดินไปถึงที่นาห้องก็พบว่าประตูห้องนั้นถูกล็อกจากด้านในและในบริเวณนั้นก็ไม่มีใครอยู่สักคน See y o